ทิศสูตทั้งหลายสังสารวัฏนี้หาเบื้องต้นเบื้องปลายได้โดยยากสัพว์ที่พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆและการเกิดใดนั้นตถาคตกล่าวว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามความเกิดมาก็คือความแก่ชาราความเจ็บปวดทรมานและความตายความต้องพลาดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักความต้องประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความแห้งใจความครัมครวญ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 ในขณะที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัดต่าสงสารนี้มีจำนวนมากเหลือคณาส่วนที่จะกล่าวได้ว่ามีประมาณเท่านั้นเท่านี้กระดูกที่เขาทอดทิ้งรงมทับถสมปตัตพีเล่าถ้านำมากองรวมกันไม่ให้กระจาย ก, กระจายคงจะสูงท่าภูเขาบนพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีช่องว่างเลยแม้แต่นิดเดียวที่สัตว์ไม่เคยตายปตัตพีนี้เกลือนกลนไปด้วยสัตว์ที่ตายแล้วตายเล่า เป็นที่น่าสังเวชสลดจิตยนักทุกย่างก้าวของมนุษย์และสัตว์เหยียบย่าบนกองกระดูกนอนอยู่บนกองกระดูกนั่งอยู่บนกองกระดูกสนุกสนานเพลิดเพลินอยู่บนกองกระดูกทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายไม่ว่าพบไหนไหนล้วนจะมีลักษณะเหมือนกองเพลือกทั้งสิน้นสราบทั้งหลายดิ้นรนอยู่ในกองเพลิงคือทุกข์เหมือนเต่าอันเขาโยนลงไปแล้วในกองไฟใหญ่ฉะนั้นภิกษุทั้งหลาย ทางสองสายคือการมาสู่ขลัลกาณุโยกการหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขสายหนึ่งและอัตตะกิลมัานุโยกการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินตามทางสายกลางคือเดินตามอาริยมรรตมีองค์แปดคือความเห็นชอบความำํำรีชอบการเลี้ยงชีพชอบทาการงานชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริต ความเพียรในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบภิกษุทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบไม่มากกว่าน้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นความทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นความทุกข์ความแห้งใจหรือความโศกความที่อไรรำพันจนน้ตานองหน้า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 เราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหาเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทะยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่ยน่าปรารถนาเรียกการมาตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่ า, วาตัณหาอย่างหนึ่ง รินรนอยากพากสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นแล้วเรียกนิภาวะตัญหาอย่างหนึ่งนี่แหละคือสาเหตุแห่งความทุกข์ขั้นมูลฐานพิสูจทั้งหลายการสลับทิ้งโดยไม่เหลือซึ่งตัญหาประเภทต่างๆดับตัญหาคลายตัญหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้พิสูจทั้งหลายปัญหาที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าของทุกๆคนคือ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 แล้วจึงจะค่อยมาถอนลูกศร อ, ออกที่สูตรทั้งหลายบุรุษผู้นั้นจะต้องตายเส่นก่อนเป็นแน่แท้ความจริงเมื่อถูกยิงแล้วหน้าที่ของเขาก็คือควรพยายามถอนลูกศร อ, ออกเทันทีชาระแผลให้สะอาดแล้วใส่ยาและรักษาแผลให้หายสนิทหรืออีกอุปมาหนึ่งเหมือนบุคคลที่ไฟไหม้อยู่บนศีรษะควรรีบดับไฟเสโดยพลัน ไม่ควรเที่ยววิ่งหาคนผู้เอาไฟมาเผาที่ศาสตน ท, ทั้งที่ไฟลุกไหม้อยู่พิษุทั้งหลายสังสารวัตดนี้เต็มเริเิณทุกนานาประการโหมให้ร้อนอยู่โดยชั่วสัตว์ทั้งหลายยังวิ่งอยู่ในกองทุกขแห่งสังสารวัตรใครเล่าจะเป็นผู้ดับถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดับทุกแห่งตนอุปมาเหมือนบุรุษสตรีผู้รวมกันอยู่ในบริเวณกว้างแห่งหนึ่ง และต่างคนต่างถือรุ่นไฟใหญ่อันไฟลุกโตงอยู่ทั่วแล้วต่างคนต่างก็วิ่งวนกันอยู่ในบริเวณนั้นและร้องกันว่าร้อนร้อนภิสูุทั้งหลายครานั้นมีบุรุษผู้หนึ่งเป็นผู้ฉลาดร้องบอกให้ทุกคนทิ้งรุ่นไฟในมือของตนเสียผู้ที่ยอมเชื่อทิ้งรุ่นไฟก็ได้ประสบความเย็นส่วนผู้ไม่เชื่อก็ยังคงวิ่งถือรุ่นไฟ พร้อได้ร้องตะโกวนว่าร้อนร้อนอยู่นั่นเองพิสูจนทั้งหลายเราตาขาคตได้ทิ้งรุ่นไฟแล้วและร้องบอกให้เธอทั้งหลายทิ้งเสียด้วยรุ่นไฟที่กล่าวถึงนี้คือกิเลสทั้งมวลอันเป็นสิ่งที่เผารนสัตว์ให้เร่าร้อนประวนประวายพิสูจทั้งหลายอายตนะพายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายนอกหก คือรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าและธรรมอารมณ์เป็นของร้อนร้อนพระไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างพิสูจทั้งหลายเราตถาคตไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าใดๆที่จะครอบงำรัดรึงใจของบุรุษได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสตัะผดสะพ้าแห่งสตรีพิสูจทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะใดๆที่สามารถครอบงำรัดตึงใจของสตรีได้มากเท่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตภะแห่งบุรุษที่สูตทั้งหลายกามาุนนี้เรากล่าวว่าเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นพวงดอกไม้แห่งมารเป็นกําลังพลแห่งมารภิกษุผู้ปราถนาจะปราหานมารพึงสลัดเหยื่อแห่งมารขยี้พวงดอกไม้แห่งมาร และทำลายกำลังพลแห่งมารเสียพิสูุทั้งหลายเราเคยเย่ะเย้ยกามมาคุณหน้าโพธิมนทนในวันที่เราตระสรูนั่นเองว่าดูก่อนกามเราได้เห็นต้นเขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําริกํานิงถึงนั่นเองเราจักไม่ดําริ ถ, ถึงเจ้าอีกด้วยประการชนี้กามเอ๋ยจ ะ, จะเกิดขึ้นอีกไม่ได้พิสูตทั้งหลายจิตนี้เป็นสิ่งที่ดิ้นรนปัดแกวง่ง รักษายากห้ามได้ยากผู้มีปัญญาพึ่งพยายามทำจิตนี้ให้หายดิ้นรนให้เป็นจิตตรงเหมือนช่างสอนดับลูกสอนให้ตรงฉะนั้นที่สุดทั้งหลายจิตนี้คอยแต่จะกลิ้งเกลือกลงไปคลุกเคล้ากับกามคุณเหมือนปลาซึ่งเกิดในน้ำถูกนายพรานเบ็ดยกขึ้นจากน้ำแล้วคอยแต่จะดิ้นรนไปในน้าอีกเสมอผู้มีปัญญา พึงพยายามยกจิตขึ้นจากการอาลัยในการมคุณให้ละ บ, บวงมานเสียทิกสูทั้งหลายธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งริ่นรนกลับปรอกง่ายบางคราวปราป่นมันช้างตกมันทิศสูทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสำหรับเหนียวร่างช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอำนาจบุคคลผู้มีอำนาจมากที่สุดและควรจะการสันเสริญ น, นั้น คือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้แนวอำนาจได้สามารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยทิกสูทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวได้วยโล ก, กธรรมคือยินทาสรรเสริญนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริญยิ่งทิกสูทั้งหลายใหม้มวมนุษย์นี้ ผู้ใดฝึกตนให้เป็นคนอดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดม้าอักษรไนมา้าสิงทบพญาช้างตระกูลมหาราชที่ได้รับการฝึกดีแล้วจัดเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่บุคคลที่ฝึกตนดีแล้วยังประเสริฐกว่าสัตว์เหล่านั้นพิสูจทั้งหลายผู้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้สูงกว่าก็เพราะความกลัว อดทนต่อคําร่วงเกินของผู้เสมอกันก็เห็นว่าพอสู้กันได้แต่ผู้ใดอดทนต่อคําร่วงเกินของผู้ซึ่งด้อยกว่าตนได้แล้เ ร, เรียกความอดทนนั้นว่าสูงสุดผู้มีความอดทน ม, มีเมตตาย่อมเป็นผู้มีลาบมียศอยู่เป็นสุขเป็นที่รักของเทวดานันมนุษย์ทั้งหลายเปิดประตูแห่งความสุขความสงบได้โดยง่าย สามารถปิดมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาดจะได้คุณธรรมทั้งมวลมีศีลและสมาธิเป็นต้นย่อมเจริญงอกงามแก่ผู้ที่มีความอดทนทั้งสิน้นภิกษุทั้งหลายเมตตากรุณาเป็นพรอันประเสริฐในตัวมนุษย์ภิกษุทั้งหลายเคารหัดผู้ยังบริโภคกรรมเกียดครั้นหนึ่งพระราชาทรงประกอบกรณียกิจโดยไม่ได้พิจารณาโดยรอบคอบทีถ้วนเช่นก่อนหนึ่ง บัญพชิตไม่สารวมหนึ่งผู้อ้างตนว่าเป็นบัณฑิตแต่มักโกรธหนึ่งสี่จงพวกนี้ไม่ดีเลยทิกสูทั้งหลายกรรมอันใดที่ทำไปแล้วต้องเดือดร้อนใจภายหลังต้องมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาสเสวยผลแห่งกรรมนั้นตาถาคตกล่าวว่ากรรมนั้นไม่ดีควรเว้นเสียทิกสูทั้งหลายเมื่อเราอยู่ในวัยหนุ่มมีเกศายัางดำสนิท ถูกแวดล้อมด้วยสตรีล้วนแต่สครานตาเป็นชี่น่าปารธนาของบุรุษเพศผู้ยังตัดอะไรในบ่วงการมิได้แต่และเวือนหนายในโลกีวิสัยจึงสละสมบัติบรมจักรและนางผู้จำเริญนตาออกสแสวงหาโมกขธรรมแต่เดียวดายเที่ยวไปยังไม่มีอะไรปอดโตรงเหมือนบุคคลที่เป็นหนี้แล้วพ้นจากหนี้เคยถูกคุมขังแล้วพ้นจากที่อยู่คุมขัง เคยเป็นโรคแล้วหายจากโรคและจากท่องเที่ยวอยู่เดียวดายแต่ทำความเพียรอย่างเข้มงวดไม่มีใครจะทำได้ยิ่งกว่าอยู่เป็นเวลาหกปีเราก็ได้ประสบชัยชนะอย่างใหญ่หลวงในชีวิตได้ตัดสู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณสงบเยอเือกเย็นถึงที่สุดร่วงพ้นบ่วงแห่งมารทั้งปวงทั้งที่เป็นคิพและเป็นของมนุษย์มารและิดามารคือนางตัหานางราคะและนางอรดี แต่พยายามยั่วยุลเราด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้เราตกอยู่ในอำนาจแต่เราก็หาสนใจใหญ่ดีไม่ในที่สุดพวกนางก็ถอยหนีไปเองเราชนะมารอย่างเด็ดขาดจนมีนามก้องโลกว่าผู้พิชิตมารพิสูจนทั้งหลายชีวิตนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องที่น่าละอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องที่ยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้า อ, อันหนึ่ง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 เหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสํานึกและเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปด้วยเลยพิสู่ทั้งหลายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจนั้นเป็นเรื่องทรมานยิ่งและเรื่องที่จะบังคับมิให้พัดพลากก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจให้วันใดก็วันหนึ่งพิสูจทั้งหลายความรักเป็นความร้าย ความรักเป็นสิ่งทารุณและเป็นเครื่องทำลายความสุขของปวงชนทุกคนต้องการความสงหวังในชีวิตรักแต่ความรักไม่เคยให้ความสงหวังแก่ใครถึงเครื่องหนึ่งในความต้องการยิ่งความรักที่ฉาบทาด้วยความเสน่หาด้วยแล้วก็เป็นพิษกจิตใจทำให้ทุรนทุรายดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นความสุขที่เกิดจากความรักนั้นเหมือนความสบายของคนป่วยที่ได้กินของแสลง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 และแต่กระจายเป็นฟองฝอยจงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉนั้นทิกสูทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสูนั้นเป็นเสมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าไปในป่าใหญ่อันรกทึบซึ่งเต็มไปด้วย อ, อันตรายหน้าวาดเสียวและว้าวิ่เงียบเงามนุษย์ส่วนใหญ่ แม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งวใจเขาจะว้าเวงเวและเยียบเหงาสกปานใดถ้าทุกคน ว, าว้าวหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตที่สูตรทั้งหลายคาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทาที่นึกขึ้นภายหลัง แล้วต้องเสียใจนั้นคนเว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบความทุกข์ยากลาบากสบานใดก็ต้องไม่ทิ้งทำมนุษย์ที่ยังมีอาสวะอยู่ในใจนั้นย่อมจะมีวันพลั้งเผลอประพฤติผิดธรรมไปบ้างเพาะยังมีสติไม่สมบูรณ์แต่เมื่อได้สติภายหลังแล้วก็ต้องตั้งใจประพฤติทำสั่งสมความดีกันใหม่ยิ่งพวกเรานักบว ด, ด้วยแล้วจาเป็นต้องมีอุดมคติ การตายด้วยอุดมคตินั้นมีค่ากว่าการเป็นอยู่โดยไร้อุดมคติที่สูทั้งหลายธรรมดาว่าไม้จันแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิน่นหัสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หิบยนแล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานมันดิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมที่สูทั้งหลายเธอทั้งหลายได้สละเพศคารวะมาแล้ว ซึ่งเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ยากที่ใครใคจะสละได้ขอให้เธอเสียสละต่อไปเถิดและสละให้ลึกกว่า น, นั้นคือไม่สละแต่เพียงเพีอย่างเดียวแต่จงสละความรู้สึกอันจะเป็นค่าสิทธต่อเพียรเช่นด้วยเธอเคยฟังสุภาษิตอันจริงใจยิ่งมาแล้วมิเฉืหื อ, หอบุคคลร้อยคนหาคนกล้าได้หนึ่งคนบุคคลพานคนหาคนเป็นบัณฑิตได้นหนึ่งคน บุคคลแสนคนหาคนพูดความจริงได้เพียงหนึ่งคนส่วนคนที่เสียสละได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่ทราบว่าจะมีหรือไม่คือไม่ทราบว่าจะหาได้บุคคลจํานวนเท่าไหร่จึงจะพบได้หนึ่งคนภิกษุทั้งหลายเข้าเปลือกทรัพย์เงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมทั้งทาตกรรมกรคนใช้และที่อยู่อาศัย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 การรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรับนั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนผู้มีเครื่องประดับอันวิจิตระการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังใจจะก่อความหนักใจในการเก็บรักษาพิสูจทั้งหลายนกชื่อมหากะชอบเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกู ในขณะที่มันร้องอยู่นั่นเองมูนกเหล่าอื่นที่บินมากินผลเรียบตามต้องการแล้วจากไปนกมหาหักะก็ยังคงร้องว่าของกูของกูอยู่นั่นเองข้อ น, นี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งมีได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวเฝ้ารักษาและภูมิใจว่าของเรามีของเรามีดังนี้ เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนี้ทรัพสมบัติย่อมเสียหายไปชุดโทรมไปด้วยเหตุต่างๆมากหลายเขาก็คงข้ามครวญอยู่อย่างเดิมนั่นเองและต้องเสียใจในของที่เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ฉลาดหาทรัพได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นภิกษุทั้งหลายทรัพของคนไม่ดีนั้นให้สู้อํำเดยประโยชน์ให้แก่ใครเหมือนสระโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์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 บำรุงสัมมนะพราหมนาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสะโบคารณีอันอยู่ไม่ไกลจากบ้านหรือนิคมมีท่าลงเรียบร้อยสะอาดเยือกเย็นน่ารื่นรมมหาชนย่อมได้อาศัยนำไปอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการพภกทศัพท์ของคนดีย่อมเป็นดังนี้หาอยู่โดยปราบประโยชน์ไม่ทิกสูทั้งหลายนักกายกรรมผู้มีกำลังมากคือนักมวยต่ำ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 คือแม่น้าสายใดเป็นแม่น้าตายไม่ไหลไม่ถ่ายเทไปสู่ที่อื่นหยุดนิ่งขังอยู่ที่เดียวแม่น้าสายนั้นย่อมพลันตื้นเขินและสกระปรกเน่าเหม็นเพราะสิ่งสกรปรกลงมามิได้ถ่ายเทนอกจากนี้บริเวณที่ใกล้แม่น้าสายนั้นจะหาพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขียวสดก็หายากแต่แม่น้าสายใดไหลเอื่อยลงสู่ทะเลหรือแตกสาขาออกไป ไหลเรื่อยไปไม่รู้จักหมดสิน้นคนทั้งหลายได้อาศัยอาบดืม่มได้ใช้สอยตามปรารถนามันจะใสสะอาดอยู่เสมอไม่มีวันเหม็นเน่าหรือสปกปรกได้เลยพืชพันธุญาหานับบริเวณใกล้เคียงก็เขียวสดสวยงามพิสูุทั้งหลายบุคคลผู้ตนีเมื่อได้ทรัพย์แล้วก็เก็บตุนไว้ไม่ถ่ายเทให้ผู้อื่นบ้างก็เหมือนแม่น้ำตายไม่มีประโยชน์อะไรก่ใคร ส่วนผู้ไม่เจริีเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลเอื่ออยู่เสมอกระแสน้ำก็ไม่ขาดทั้งยังเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นสาธุชนได้ซับแล้วพึงบำเพ็ญตนเสมือนแม่น้ำซึ่งไหลไสสะอาดไม่พึงเป็นเช่นแม่น้ำตายีิสู่ทั้งหลายอาญะสัมปทาหรือทานจะมีผลมากอาธิสงภัยศารถ้าประกอบด้วยองค์หกกล่าวคือหนึ่ง ก่อนให้ผู้ให้ก็มีใจผ่องใสชื่นบาน2เมื่อกำลังให้จิตใจก็ผ่องใส3เมื่อให้แล้วก็มีความยินดีไม่เสียดายสผู้รับเป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะ 5. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อปราศจากโทสะ 6. ผู้รับเป็นผู้ปราศจากโมหะ หรือปฏิบัติเพื่อปราสจากโมหะ